ที่คนหม่ที่มนเม่นงนี่แหละนะที่จี๋คือเขาเขาถึงสาเจละอมินในในในในในขั้งกุศกาลเนะสมัยพระกุศโล์ทุนคุจนเป็นพ้าอยากจะปฏิวัติมันถูกต้องอยากแู้รูปอะไรมันผิดมันถูกแน่นอนนะได้ออกไปอยู่องค์เดียวมายอยู่หลายองค์รึวะ ท, ที่องเดียวทำาิดติทำทำทำสมาธิแ้่ก็ท่านไปไหนสมาธิมันสงบบางไม่จงบว้างสงบบ้างไม่สงบบ้า ง, ง, ง, ง, ง, งเอาเนี่นอนไนม่ได้บางทีก็ติดเกียบบางทีก็ข ย, ย, ยัยนยนีเกิดสงสัยนลยไม่ไดทำเก็คิดหาทางปฏิบัติก็พอดีได้ยิน เช่นว่าจะยินกิตตจัท์อาจารย์เนี่ยนะคณาจารย์ที่ปฏิบัติดวกันมันมากในสมัยนั้นก็ได้ยินาจาิตตจักรมาเช่นมา่าพระก็เป็นอาจารย์สอนปฏิบัติอห่นะี้คนก็ไปฟังธรรมะมาจิติศักรพงศ์ขันปฏิบัติดีสนนมันั้นที่เช่นว่าโอมันนี้จะถูกไป ไปไปฟังท่านเทศ้ไปปฏิบัติกับท่านก็ฟังจากเทศแล้วก็เอามาปฏิบัติอยู่คนเดียวบางสิ่งก็เหมือนกับความเหมือนกับตัวเราคิดมาอมบางอย่างก็ไม่เหมือนกันอืม แต่ความสงสัยก็เกิดขึ้นเรื่อยไม่หยุดอยู่ไปอีกก็มีอาจารย์ขอมีธรรมทาปฏิบัติดีด้วยเองด้วยนึกสงสัยก็ไปอีกไปฟังใจความแล้วฟังทำะมาปฏิบัติหยับองนี้กับองนั้นก็ไม่เหมือนกัน เกียบองนั้นกับองนั้นก็ไม่เหมือนกันกับความคิดของเรานี่ก็ไม่เหมือนกันอีกแปลกไปได้อีกอความสงสัยก็ยิ่งมากขึ้นอยู่ไปก็เลยยิ่งอีกท่าคออาจารย์ขอเก่งเหมือนกันฟังเขารำดูมาอดไม่ได้อยากจะไปอีกไปปฏิบัติกับท่านสันเทศยังไงปฏิบัติยังไงก็ไปไปก็ไปการทำธรรมะท่าน เหมือนกันบ่าไม่เหมือนกันบ้างมาคิดโงนั้นทําไมทําอย่างนั้นองนี้ทําไมทําอย่างนี้รวมความเห็นของอาจารย์ใส่กันแล้วมาร ว, วามพวกเราอีกไปอีกคน น, นึงหนึ่งนั่นไม่ใชจะมาติเหมือนกันองนั้นสินน่งไหนพุ่งที่เพีไงเราจะยิ่งความพุงสางยิ่งเกิดขึ้นไม่จะ็นรรมาติเหมือนกันไปหมดกําลังแล้วไม่สบายสงสยัยในหายยิ่งสบาี วันหลังมาเลยยินว่าพระศาสดาพระโคดมเกิดกันในโลกยิ่หนักใหญ่เลยทีนี้โคดไปไหน้าอีกอีกลราบท่านฟังธรรมว่ า, าระเททกิดทำไมแต่ว่า ไปทงความเข้าใจกับคนอื่นนั่นให้หายความสงสัยไม่ได้ยิ่งฟังยิ่งสงสัยยิ่งฟังก็ยิ่งแปลกคุณพระพุทธเจ้าองค์ท่านท่านตรัสว่าไอ้ความสงสัยไม่ใช่ว่ามันจะให้คนอื่นตัดให้เราไม่ใช่คนอื่นจะแก้ความสงสัยให้เรา องค์อื่นก็อธิบายเรื่องความสงสัยคำนั้นเนี่ยแล้วก็จับมาปฏิบัตินี้มันรู้เองเห็นเองรู้จักท่านบอกว่าอยู่ในกายของเราเนี่ยรูปเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอาจารย์ของเราให้ความเห็นของเราอยู่แล้วแต่เราขาดการภาวนาขาดการพิจารณาท่านบอกว่าท่านจะระงับความสงสัยของท่านนะ ให้หยุดพิจารณากายกับใจของท่านเท่านั้นแหละอดีตก็ให้ทิ้งมันอนาคตก็ให้ทิ้งมันให้รู้ทิ้งให้รู้มันรู้แล้วทิ้งไม่ใช่ไม่รู้รู้ทิ้งอดีตทําทําดีมาแลว้วชั่วมาแล้วอะไรมาแลว้วอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ทิ้งเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไร ที่มันดีก็ดีแล้วที่ผิดก็ผิดแล้วถูกก็ถูกแล้วขอจริงแค่อนาคตที่ยังไม่มาถึงอืมมันก็ยังไม่มาถึงมันก็เกิดกันในอนาคตมันจะหลับไปอนาคตอันนั้นตัวยาไปยึดมันถือมันมันรู้แล้วก็ทิ้งทิ้งอดีตเกิดในอดีตมันก็หลับไปแล้วเอามาคิดมันทําไมมากคิดเดียวกัรอยมันไป มันก็เกิดในอดีตทำนั่นเกิดแล้วในอดีตมันก็เกิดแล้วดับมันก็ดับไปแล้วในอดีตอืปัจจุบันนี่จะเอามันคิดทำไมรู้แล้วก็ปล่อยมันไม่ใช่ว่ามาให้รู้ให้รู้ปล่อยไม่ใช่ว่าไปคิดเห็นมันคิดเห็นมันแล้วก็ปล่อยเพราะมันมันเสร็จแล้วอนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้นอืมันก่อทำที่อนาคตมันก็เกิดในอนาคตอะไรที่มันเกิดในอนาคตมันจะดับอนาคตนั้นให้รู้มันแล้วก็ปล่อยมันจ้ะ อาลัยอีกรเรื่องของไม่เที่ยงเหมือนกันอนาคตก็ไม่แน่นอนเหมือนกันรู้แล้วปล่อยมันเพราะมันเป็นของไม่แน่นอนดูปัจจุบันเดี๋ยวนี้อดูปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ท่านอย่าไปดูอื่นไกลท่านอย่าคิดว่าอาจารย์นั่นจะแก้สงสยัยเราอาการอาจารย์นั่นจะทําความสงสัยให้เราหายไปถ้าพระเจ้าองค์ไม่สอนว่าให้คนเัามันเชื่อคนอื่นนั่นนะอ่ะ พระพุทธเจ้าไม่สันเซินบุคคลยังดีใจเสี ย, ยใจกับคาคนอื่นพูดกระทำอยู่องค์นั้นพระพุทธเจ้ายังไม่สันเซินเพราะของของคนอื่นครับรู้อะไรก็ตรงวานถึงเม้มันจะถูกมันก็ถูกคนอื่นเขา ถ้าเราไม่เอามาทําให้มันถูกที่ใจเรานะอนความถูกนั่นความไม่มาถึงเราถูกอยู่โน้นอาจารย์นั้นผิดอยู่โน้นถูกอยู่โน้นไม่มาถูึงเราถูกกจริงจร่งมาถูกถูกคนอื่นไม่ถูกเราหมายความว่าถ้าไ ม, ไม่ปฏิบัติใจิตนะ่มันรู้มันเห็นตามความจริงๆแล้วนั่นนะอืมพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเชิญผมเคยเทศบ่อยๆโอปราญโยโกน้อมขมาให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเป็น อยากเขาว่าถูกแล้วก็เชื่อไม่ถูกแล้วก็เชื่ออยาทำอางนั้นถูกไม่ถูกเรื่องคนอื่นก็พูดเอาเรื่องอันนั้นมาปฏิบัติให้มันเกิดกับกิจของในปัจจุบันนี้ให้มันมีพยานในตัวของตัวนี้ผมไปพูดให้ท่านฟังเสมอว่ า, อาไอ้ผลไม้นี่มันเปรี้ยวอย่างนี้ผมบอกว่า ผลไม้เนี่ยไปทานพะไปสันแต่มันเปรี้ยวนะเนี่ยบางคนก็เชื่ออย่างท่านก็จะเชื่อว่ามันเปรี้ยวไอ้ความเชื่อของท่านนั้นมันเป็นโมฆะไม่มีความหมายอะไรมากมายเพราะที่ว่ามันเปรี้ยวเนี่ยท่านเชื่อจากผมพูดว่ามันเปรี้ยวเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่สรรเสริญเลยอันนี้แต่เราก็ไม่ทิ้ง แต่แวราขอพีกิเจนาอ่อเอาเราผลเอว้เนะี่ยมามาฉันดูซะเมื่อความเปรี้ยวมันปรากฏขึ้นมานั้นนี่เดิเราเป็นพยานในตัวเราเนี่ยท่านก็มันเปรี้ยวเรามาฉันดูมันก็เปรี้ยวอีกสองอย่างนะเอือเชื่อแล้วทีนี้เพราะเราเป็นพยานท่านผู้วิจารย์มั่นเถริวเป็นสีขีปุตโตอันนี้เป็นพยานในตัวของตัวแล้ว ไอสิ่งที่เรารู้จักคนอื่นมันมีใครเป็นพยานเอาคนอื่นเป็นพยานทอนนั้นเนี่ยอันนี้เด็กห้าสิเอร์เนถ้าเรามีพยานในตัวเราอีกแล้วท่านว่ามันเปรี้ยวเรารู้แต่เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นอย่าเอาร้อยเปอร์เซ็นตไปใส่มันนลถ้าเราคนไม่ทำมาฉันดูมันเปรี้ยวอีกเอาให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะคนที่บอ ก, กว่ามันเปรี้ยวเรามาฉันกว่ามันกว่าเปรี้ยวอย่างนี้เป็นร้อยเปอร์ซ็นตเลย นี่เป็นสิทีิผู้ตัวได้พยานตัวเกิดขึ้นมาแล้วอืย่างนี้แค่นั้นเียว่าโอปะไรโกน้อมเข้ามาให้มันเห็นปัจจตังเห็นอยู่ขอบคนอื่นไม่ใช่เห็นปัจจตังเห็นนอกปัจจตังไม่เห็นเฉพาะจิตของเจ้าหอมเฉพาะตัวของเราเห็นจากผู้อื่นแต่ก็ไม่ควรประมาทเหมือนกันเนี่ยเป็นที่ศึกษาเราเหมือนกันเป็นข้อศึกษาเราเหมือนกันคล้ายๆต่อเราเห็นในหนังสืออ่านหนังสือพบ เราก็เชื่อแต่จิตเรายังไม่เป็นนีกมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์เต็มที่มันมันเพียงเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นท่านั้นมาปฏิบัติภายในจิตของเจ้ของให้จิตมันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่สงสัยแล้วถ้าเรารู้ในตัวของเรามันหายสงสัยมันหมดเลยไม่ไเกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเลิกไปอย่างนี้อปัจจุบันปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ มันจะเป็นอันละมันเดียวนี้แก่มันเดียวนี้ปัจจุบันเดียวนี้ปัจจุบันธรรมเพราะว่าปัจจุบันธรรมนี้ปัจจุบันนี่อ่ามันเป็นทางเหตุทั้งผลอืม <c oughs> ปัจจุบันนี้ตั้งอ ย, ยู่ในปัจจุบันนี้มันตั้งอยู่ในเหตุผลอย่างเราอยู่นี่หละอดีตเป็นเหตุปัจจุบันนี่เป็นผลเดียนี้ ทุกอย่างทุกอย่างแล้วที่ได้ผ่านมานี่มันมาจากเหตุถึงนั้นแหละอย่างท่านมาจากกติของท่านนี่เป็นเหตุที่มานั่งอยู่มันเป็นผลมันเป็นอย่างนี้นี่คือผลมันมันมีเหตุผลอย่างนี้เรื่อยๆไปอือดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอานาคตเป็นผลอืที่เราอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหตุอดีตต่เหตุ อยู่ในยุคบันนี้มันก็อ่า๋ออันนี้มันเป็นผลนี่อดีตที่มันผ่านมาเรามาตกนี้มันเป็นผลผลเดียวนี้มันกลับเป็นเหตุอนาคตอีกฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าทิ้งอดีตแล้วะทิ้งอนาคตคําที่พูดว่าทิ้งเนี่ยมันไม่ทิ้งนะมันมาอยู่จุดเดียวนี้อืีมันมาจุดเดียวนี้อดีตอนาคตมันอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตแล้วก็มันเป็นเหตุของอนาคตต่อไป แค่นั้นทิ้งเหตุได้ผลมันน่ะสิเอาปัจจุบันนี้เมื่อทิ้งมันก็เป็นเหตุผลของมันอยู่แล้วคําพูดเดีย ว, ว่าทิ้งมันสักแก่ว่าภาษาพูดตอนนั้นแต่ความเป็นจริงนั่นก็เดียวว่าจุดนี้มันจุดครึง่งมันตั้งอยู่ในเหตุผลอยู่แล้วท่านมาให้ดูปัจจุบันปัจจุบันเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับอยู่เสมอเีเรื่อยๆว่ะผมเคยพูดบ่อยๆว่าแต่คนไม่เคยใส่ใจ มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผมก็เรียกว่าเอออันนี้มันไม่เที่ยง<ม>แต่ทำนี้คนไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดตามอะไรเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เที่ยงหรือว่ามันไม่แน่หรือว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้มันง่ายที่สุดเลย<ม>ถ้าเรายหนัง่งตอนาอะไรเกิดมาไม่แน่ไม่เที่ยงไม่รู้เรื่องก็วนวาย ไอ้ที่มันไม่เที่ยงนะมันจะเห็นของเที่ยงไอ้ที่มันไม่แน่นะมันจะเห็นของแน่อย่างนี้พูดใอ้คนเข้าใจก็เลยไม่เข้าใจกันก็เลยวิงนนว่งทางโนดนหรวิ่งทางนี้อยู่ตลอดเวลาอืมในความเป็นจริงท้าอากามันจะถึงความสงบมันถ้ามาถึงจุดที่ผมว่าเนี่ยจนปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นมาสุขทุกอะไรเกิดขึ้นมาขึ้นแล้วมันไม่แน่มันไม่แน่ไอ้ตัวที่ไม่แน่น่ยคือตัวพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ตัวที่ว่ามันไม่แน่เนี่ยมันคือตัวธรรมะตัวธรรมะก็คือตัวพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าแค่คนไม่รู้จักเห็นธรรมะอยู่โนู้นเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นี้อืถ้าจิตใจของเรามันเห็นทุกสิงทุกอย่างว่ามันเป็นของไม่แน่ปัญหาทีเราจะไปยึดมั่นหมายมั่นมันก็ค่อยหมดหมดไปเลยอืไม่ยึดมั่นถือมั่นมันอืม มันจะแน่โดยวิธีอย่างไรมันจะแน่คือมันจะเป็นพวกมันอยู่อย่างเนี้ยถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้ใจเราก็ปล่อยมันก็วางไปครัไปยึดมั่นถือมันมันตัวประทานนั่นกับปัญหานี้ประหมดไปอมันหมดไปหมดไปเมื่อเข้าถึงธรรมะเท่านั้นแหละจะอะไรมันยิ่งไปกว่านั้นไม่มีไม่มีอย่างงั้นธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่ผมสอนว่าอันนี้มันไม่แน่หรือมันไม่เที่ยงอันนั้นก็คือธรรมะ ธรรมะเน่ก็คือพระพุทธเจ้านั voice, ่นเองนะไม่ใช่อื silly, yeah. mm ่นไกลทีภาวนาพุโธพุโธพุโถอย่างนี้ก็เห็นมันเป็นอย่างนี้ทีลว่าพุโถเ่เห็นอันเอเห็นอนิจังทุกขังอันตาเนี่เห็นมันไม่เที่ยงไม่แน่ถ้าเราเห็นชัดเจนอย่างนี้เราจิตใจเราปลอดเห็นความสุขเห็นความทุกข์อย่นีไปนั่งดีหอไม่แน่อยู่นนี้ดีก็ไม่แน่เหมือนกัน เห็นมาไม่แน่ทั้งนั้นอยู่ที่ไหนถ้าก็สบายาเวลาเราอยากอยู่นี่ถนะ mm hmm. ้าเป็นด้วยไม่มีอะไรอยากจะไปที่ตนะไคร้ไอความสงสัยเรามันจะหมดไปอย่างเนี้อื mm hmm. หมดไปโดยวิธีที่เราปฏิบัติวันไออยู่ปัจจุบั น, นนี้นะ mm hmm. อย่าไปห่วงอดีตอย่าไปห่วงอนาคต mm hmm. เพราะว่าอาดีตท่านเสร็จมันผ่านมาแล้วเกิดก็เกิดในอดีตสึกก็ดับไปในอดีตแล้วมันหมดแล้ว อนาคตท่านได้ปล่อยอนาคตเกิดในอนาคตอนาคตอะไรเกิดอนาคตมันจะหับในอนาคตไม่ควรห่วงใยมันแล้วดูปัจจุบันธรรมนี้ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงไอพุทโธมันก็รู้ขึ้นมาเจริญขึ้นมารู้ความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงนันก็เห็นอยู่ตรงนี้ที่นี่ไออาการของสมาธิมันก็เจริญขึ้นมาได้ มันก็จะเดิญขึ้นมาหนะักสมาธินั่นเนะี่ยหรือความตั้งใจมั่นหรือความ ส, ง บ, ามสงบนั้นมันมีสองอย่างอืมไอ้ความสงบที่ท่านไปอยู่ในปาน่นสงบหูไม่ได้ยินตาไม่ได้เห็นนั่นบางครั้งนะ่ะไม่ใช่ว่าสงบจากกิเลสกิเลสมันมีอยู่แต่ในเวลานั้นมันไ ม, ม่ผุนขึ้นมาอย่างนั้นมันมันตกตะกอนอยู่นั่นเน่ะ มันยังไม่คุนขึ้นมามันก็ใสเมื่อถูกอะไรมันกวนมันก็คุลขึ้นมาท่านก็เหมือนกันเมื่อมันมีเสียงในยินเสียงในรูรูปอะไรสัมพัสทางกายเกิดขึ้นมาที่ไม่ชอบใจมันก็คุลขึ้นมาถ้ากไปไม่มีมันก็สบายสบายเพราะมีกิเลสเช่นตอนในเทปอันนี้มาอืมถ้าท่านอยากได้เทปวันนี้ท่านก็เป็นทุก พอดีก็เสียงหาเทปนี่มาท่านก็ได้เทปนี่มาแล้วท่นวานก็สบายนะสบายสบายที่เราเทปมานี่สบายเพื่อไม่สบายนะั่นนี่นะเพื่อย่อมเป็นสบายไม่รู้จักแต่คุณได้ไล่เทปแล้ก็สบายแล้วยังไม่ได้เทปมาเป็นทุกเนี่พรายังไม่ได้ก็หาเทปมาแล้สบายนะน เมื่อเมืเ่มอขโมยมาเอาไปอีกเอาเทปน да? ี่ขโมยอีกเทปหนึ่งในความสบายก็หายไปอีกแล้ ว, ว so, เป็นทุกข์ขึ้นอีกแล้วมันขบันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เทปกว่าเป็นทุกข์ได้เทปมาแล้วกว่าสบายได้เทปมาแล้วกว่เข้าหายไปอีกกวทุกข์มันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่กว่าสมาธิอยู่ในที่สงบเป็นไงได้เทปมาแล้วมันสบายสบายเพราะในาะได้เทปมาตามใจของเรานี่ สบายแค่นี้สบายเพราะกิเลสที่มันครอบงําเราอยู่ไม่รู้เรื่อง น, น, นานไปขโมยเอาเนีทปไปก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนีฉะนั้นสงบอันนี้สงบเรื่องสมาธิชั่วคราวสมาธิแล้วต้องมาพิจารณาเรื่องอันนี้อีกต่อไปออ่าเรื่องต่อไปนี่ได้เทปมาแล้วไอ้ของที่เราได้มานี่แหละมันจะเสียอืมันจะหาย มันจะเสียหายไปเพราะเรามีเทปถ้าเราไม่มีเทปก็เราไม่มีอะไรจะหายเหมือนกันก็เกิดมานั่นแหละถ้าเกิดมานั่นแหละมันมีตายถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายไอ้คนที่ตายนี้มีใช่คนถูกเกิดเพราะถึงนั่นมันตายไอ้คนที่ไม่เกิดก็มาเคยเห็นมันตายอย่างนี้ถ้าเราคิดได้เช่นนี้ถ้าเราได้เทปมาเช่นนี้ เราก็รู้ว่าเทปนี่มันไม่เที่ยงอมันไม่เที่ยงอีกวันหนึ่งมันจะแตกอีกวันหนึ่งมันจะพังอีกวันหนึ่งขโมยมันจะมาเอาไปก็ได้ธุรคิดเช่นนี้มันจะเทปมันจะแตกมันจะหักมันจะพังขโมยจะมาหยิบไปก็ได้เหมือนกันก็เราเห็นว่ามันไม่แน่อยู่แล้วไอ้ที่เทปมันแตกเทปมันพังที่ขโมยมาขโมยไปนี่มันเรื่องของไม่เที่ยงถึงนั้นอย่างนี้ ถ้าเราเห็นเจนนี้่เราก็อาัยเทปอันนี้อยู่ได้ใช่ได้อย่างนี้อันนี้เหมือนท่านเน่ยอยากจะค้าขายทางโลกเขาอยากจะได้เงินธนาคารมามุนท่านก็เป็นทุกข์นี่เป็นทุกเป็นทุกอยากจะได้เงินเข้ามาอทําพิธีหาเงินหาทองเพรามันยากลำบากแทรกเป็นทุกข์เพราะไป่ได้มาอีกวันหนึ่งก็ไปกู้เงินธนาคารเขาได้มาแต่ก็ดีใจดีใจไป่กี่ชั่วโมงแล้ว แต่ว่าดอกเบีย้ยมันกินทันอีกแล้ว <c oughs> คนนั่งอยู่ดอกเบีย้ยกขาเอาไปกินแมมเป็นทุกข์อีกแล้วแน่ทําไมไม่ได้เงินมาก็เป็นทุกข์ได้เงินมาแล้วกคิกว่าสบายแล้วอยู่ไปอีกเป็นต้นดอกเบีย้ยกขาเข้ามาอีกแหละดอกเบีย้ยเป็นทุกข์อีกแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้พระพุทธเจา้าจะทิ้งสอนว่าให้ดูในปัจจุบันเนี่ยเห็นอันนีจังของกายของจิตของธรรมะนี่มันเกิดเรื่หนักอยู่แค่นี้เอง มันเป็นความมันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันอย่างนี้ถ้าเราเห็นเช่นนี้ความสงบเกิดขึ้นมาความสงบคือการปล่อยวางมันเกิดขึ้นมาเพราะปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดเพราะอะไรเพราะพิจารณาเรื่องอนิจจังตุคขังตะตานั้นเป็นสัจธรรมเห็นความจริงประจักษ์อย่างนั้นในใจนี่อย่างนี้เราก็เห็นชัดในใจของเราอยู่อย่างนี้เสมอแล้วอารมณ์ เ, เกิดขึ้นมาหลังเห็นมันดับไปดับแล้วมันเกิดขึ้นมาเกิดได้ก็ดับไป ถ้าเรามาีความไปยึดมั่นถือมันมันทุกข์ก็เกิดขึ้นเดียวนะั้นแต่เราปล่อยวางมันไปเป็นต้นทุกข์มัก็ไม่เกิดเราเห็นในใจของเราอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นจสี่ผู้โตอย่างนั้นอ่ะอย่างฉะนั้นเราไปเชื่อคนอื่นเพียงห้าสิบเปร์เซ็นต์ครวหนึ่งภาษาดิบุตรท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราเทศยวแย่พระพุทธองค์ท่านถามภาษาดีบุตรเชื่อไหมยยังไม่เชื่อพระเจ้าคพาเนี่ยยังไม่เชื่อพระเจ้าคพา พระพุทธองค์ท่านปลอบใจเลยว่าดีแล้วสาธิบุตรอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆเลยนักปราชญ์ต้องไปพิจารณาเสียงก่อนเดีจะเชื่อต้องสาธิบุตรก็อนาไปพิจารณาเสียก่อนถึงแม่ฟังธรรมในพระพุทธองค์ท่านก็ไปเชื่อไว้ทุกครั้แต่ท่านไม่ประมาทเอาไปพิจารณาในอาการที่ทันเทศนีเหตุผลเกิดขึ้นกับใจใจของท่านเป็นธรรมธรรมนั้นอยู่ในใจของท่านมันเป็นอยู่อย่างนั้น รับพุทธโอให้เชื่อตรงนั้นเชื่อเพราะคนอื่นก็เห็นด้วยเราก็เห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนจากนี้นี่คนในสวดนี่ก็ดูเท่านั้นแหละไม่ต้องดูใครรู้ปัจจุบันคือดูจิตเจ้าของเท่านั้ น, นแต่วางอดีตหรือวางอนาคตอืม๋ยวให้ดูอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัญญามันก็เกิดจยูตรงอนิจังทุง ข, งขังอนัตตนี่แหละจะทําไง เราเดินไปก็ไม่เทียงนั่งก็ไม่เทียงนอนมันก็ไม่เทียงอะไรมันก็เป็นเพระมันอยู่อย่างนั้นเนี่อมันจะเที่ยงก็เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่แปลไปเป็นอย่างอื่นนะเมื่อพอเห็นจบลงตรงนี้มันก็สบายแล้วนะจะไปอยู่ยอดเขาผมนึกว่ามันจะสงบแล้วอ่ามันก็สงบเฉพาะเขาเท่านั้นแหละเมื่อหิวข้าวมากก็เหนื่อยอย่างเงี้ยปวดหัดมิตรมืนแล้วน่ะ คนชาวเขานี่ไม่ดูจากวุจิมินเนี่ยจะลงมามาเย ว, วัดปะพงอยู่ในกรุงเทพไ ม, ม่อาหารมันมากไปเว้ยวุ่นมันนําบ้าอืมไปอยู่ไกลๆดีกว่าไอความเป็งจริงคนไปอยู่คนเดียวมันก็เป็นทุกข์มันก็โง่อยู่หลายคนเป็นทุกข์มันก็โง่ทั้งนั้นเนี่อืมมันก็ขี้ไก่ขี้ไก่ถือไปคนเดียวก็มึนเอาไปหลายคนก็มึนมันถือไปด้วยของมันเน่าอย่างนี้ อันนี้เรายังคิดผิดอยู่จ้าว่าเรามีปัญญานะ่ะอยู่มากคนก็านึกว่ามันไม่มีความสงบอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ถูกมากแต่ว่าเรามีปัญญามากนะผมเนะี่ยมันเกิดปัญญาเพราะมีรูปจิตมากมากเอี่อนมันกน้อยโยมมามากคนม า, มากรูปจิตมากต่างคนต่างคิดต่างไปสุประการมากดวงกมมความอดทนก็กล้าขึ้น ถ้าเราอดทนได้เราก็พิจารณาไปดิมันมีประโยชน์เท่านั้นแหละถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งนี้ต่อก็ไปอยู่คนเดียวดีอยู่ในน้อยก็เบืองอยู่หลายคนดีอาหารอาหารน้อยๆดีอาหารมากๆดีอาหาร น, หน้อยๆดีอาหารมากๆไมดีก็เป็นกันอยู่อย่างนั้นแหละก็เราตัดสินใจเราอย่างนี้เราเห็นว่ามันไม่แน่นอน มากต้องกินไปนี่น้อยกินไปนี่อย่าไปยึดมันม่นถือมันมนาเนี่พอรู้ปัจจุบันนี้ร่างกายแล้วสบายแล้วพระองค์ให้สอนให้อยู่ที่ไหนให้เป็นที่สบายอาหารสบายกัญญาเงี้สบายที่อยู่สบายการที่สบายเป็นหายากนะท่านบอกว่ามันสบายสบายจริงจริงนะสบายนึกว่าเป็นสบาย ไ, ยไายาง อุปถาทีสบายคนต้องให้น้าร้อนน้าเย็นน้าตาลทั้งวันทนดดั้วันสูตรดีๆหวานๆเนีนะ่ยโยมอุปถาคนจะชอบกันนั่องอุปถาที่ดีแล้วรสบา ย, บายเดี๋ยกวก็าตายนานแต่เนั่ยนี่อย่างนี้หลายอย่างมันเรื่องสบายของคนนี่ถ้าเรามีใจิตใจรู้จักความพอดีของเราไปอยู่ที่ไหนก็นสบายเมื่อจะอยู่ก็อยู่ไปเม่จะไปก็ไม่ตัวเอง อย่างนี้ถ้าเราน้อยมันก็ยากมากมันก็ลำบากอะไรเราทามันไม่สบายไม่สบายก็เรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่ดูเรื่องมันก็ไม่สบายดูเรื่องมันก่อนสบายดูเรื่องนั้นมันก็ไม่สบายถ้าเราพากยานจะไปหาที่ไหนท่านพูดมันถูกแล้วแต่จิตเราทำยังไม่ถูกจะไปหาอย่างอย่างท่านไปเรงนั้น ทำสมาธิเองมันมากฉันอยากกว่านี้ไปเลยทําสมาธิอย่างเดียวทําจริงจริงจังจังหรือมันไม่จริงไม่จังต่อไปถ้ามันจริงมันจังมันก็สงบสิจริงจังทำไมไม่สงบถ้ามันจริงมันจังว่าต้องสงบสินี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่จริงไม่จังอั่นแหละมันถึงไม่สงบนั่นเองไอ้เรื่องสมาธินั่นก็ อะไรก็ชั่งมันเถอะมันเป็นบทบาทกันศีล ส, สมาธิปัญญามันเป็นหลักฐานตายตัวอยู่แล้วอืมตายตัวอยู่แล้ว ม, มันเป็นเครื่องมือของกรรมฐานเท่านั้นแหละและ้วจะใครจะภาวนาค้นคว้าหามีปัญญามากก็เห็นง่ายปัญญาน้อยก็ไม่เห็นไม่มีปัญญาเลยก็ไม่เห็นเลยปฏิบัติอย่างเดียวกันมันก็มีเหมือนกันพ่อปัญญา แต่ดิไปดูครูบาอาจารย์นั่นก็ให้เราพิจารณาแยกคายออกไปอาจารย์นั่นทนยังไงอาจารย์นี่ทํายังมีครูกันนะเรื่องแบบนอกนั่นแหลดูกิริยาดูอาการประพฤจาปฏิบัติมันอยู่ข้างนอกถ้าอย่างนี้ก็ความสงสัยมันก็เดือยไปเอ๊ะทําไมอาจารย์ท่านทำนัเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านทำนั้นเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านทำนั่นเนี่ยเอ๊ะทำไมอาจารย์ท่านทำนั่นเนี่ยเอ๊ะทำไมอาจารย์เทศหลาย เอ๊ะอาจารย์เถตดน้อยเอ๊ะท่าอาจารย์ตระนเทศเลยเป็นบ้าอยิงเราได้เป็นบ้าไปเราเอาก็เาดีแล้วเราไอ้ที่ถูาเราอยู่ตามนั้นนะ่ะมันเป็นสมาปฏิปทาของเราอย่างนี้แล้วดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาอีกทัา น, นหนึ่งอีกเาดังนั้นความสงสัยของเราไม่จะหมดไปนะมะนันงพ ร, น ร, ระเถรละองค์นั้นแตงกไปพิจารณาสันติสัจธรรมันเือนกันนะพุทธรรมเหมัน ไปรง่จิตไปมันนะแต่มาดูว่าได้มาเกิดเป็นอย่างนี้เดินดูแต่มาดูอยู่อย่างนี้ดูจิตอันนี้มันจะมีอาการกจิตอะไรก็ชั่งมันท่านจะบอกว่อนี้มันไม่แนะอ่อันนี้มันไม่เที่ยงสอนมาอยู่อย่างงั้นแหละเรียกว่เห็นทำมาตัวของเราเป็นตัวจิตเรานาะตั้งชะลจับ ต, ตัววัฏะมันวงรอบหรืจะไปวิ่งตามมันได้มั้ย มันเร็วเขาเราจะวิ่งตามมันไดไหมันวิ่งไม่ได้เรายืนอยู่ทีเดียวนี่แหละวงจรนี่มันจะรอบเองมันก็มีตุ๊กตาตัวงตั้งอยู่เนี่ยถ้ามันวิ่งเร็วแล้วเร็วเร็วเร็วเร็เร็วที่สุดเราจะวิ่งตามมันทันไหมไม่วิ่งแล้ววิ่งอตรงนี้ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันวิ่งเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วจะเห็นตุ๊กตาทุกครั้งทุกครั้งไม่ต้องวิ่งตามมันเราวิ่งกระทุกมันเท่าไหร่มันวิ่งไปทันมันเท่านั้นแหละทั้งผมงชั้นเฉลิมทั้งของตังของห้าเรียกว่าชาคนี เขาเป็นพระอกหนื่อยมากท่านจะมาทานเราท่านไปไปตุรุงตุรุงไปจ่ายการไฟแผนพิกันาูณาอยู่กะที่มานุลุงสี่สามข้อน่ะปฏิบัติมันเข้มงวดอยู่ตรงนี้ไม่ต้องสะพายโกนจะพายบาทมันเหนื่อยแล้วนี่ก็เกีของท่านเหมือนกันนะแต่มันไม่พอใจไอที่เราอยากจะไปถ้ามันเห็นชัดจริงๆนะมันก็พูดคําเดียวเท่านั้นมันก็ดินอย่างผมเล่าให้ฟังไอเนโนโน่เนี่ยที่ไปอยู่วัดด้าน มันจะเคยไปอยู่เลยมันจะอยู่หกวันเจ็บมันไปอยู่คนเดียวในต่างประเทศคนเดียวเด็กๆกทท็ทำผมเป็นห่วงมันไปถามมันก็ไปดูไ ป, ปวิธบานบ้านนั้นก็มาฉันอยู่นี่ยมีแต่ไอ้กลุ่มคนทั้งนั้นลอกข้างอยู่มันก็นอนอยู่นั่นองเดียวตลอดคือนี้มันกลางผมก็เลยเป็นห่วงมันน่ะเจ็ดวันเนี่ยผมไปถามไปดูทา่าถามก็อยู่สบาไหนไปถามเอไมงไม่กลัวหรือถ้าว่าไม่กลัว ทำไมไมันถึงมีกลัวนี่ว่ามันเสบือหีอย่างนี้เท่านั้นแหละมันก็เตามันโมเนียร์ติดติดอย่างอางื่นเลยหายไปหายมดเรื่องลงมาลองทำแบบนี้ดูสิเพระาะการยืนการเดิ น, ก า, ดนการไปการมากรรมฐานจิตวุระเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยถ้าเรามาสีสติแล้วมันไม่เชื่องนะไมเสือง อาหารมากๆ ก, ก็ไปทุกว่ามันหาักแล้วมา ก, มา ก, มากันเอาชินเดียว่านี้พอให้เขาจะระบาดว่าทำไมยุ่มันยุ่งมันเอาชิ้นเดียวเ่าใหรเขาจะส ะ, ะพอนมันเลอะเนาะเราเสียดายว่ายากมุนะนะนี้ไม่เอาตากเท่านี้ใส่อาจจะตากไปจนไม่อร่อยเท่านั้นเดี่ยนี่ก็เรื่นนอาหารมากคนพูดมนเอาลายทาไมเน่ะเราไปมุนกับมันได้เอ า, าชิ้นเดียวก็พอแล้วตอนนี้ก็พอเนาะ กินไปหาร้อยมันวุ่นกิม่ใช่วุ่นอะไรอาหารนย่างเงี้ยอาบาินไ่ใวุ่นอะไรคนมากๆมันวุ่นมันวุ่นอะไรที่วุ่นเราอยู่กันอยู่เดี๋ยวนี้ยจะไปทําอะไรมากไหมไปวิทยาาตรมาฉันเนี่ยกิดธุระนี้เก็ทํำเรามีสติอยู่แล้วทำเนี่ยแล้วไม่ขาดเวลาไอทําวัดจะมันจะเสื่อมเลอครับทำไปทําวัดนี่มันเสื่อมมันก็ไม่ปฏิบัติไปได้ครับ อก็เราไปกราบไปไหว้สร้างความดีทั้งนั้นเนี่ยมันไม่เสื่อมอะไรเดี๋ยว่ามันยุ่งไปทำบัตรอะไรมันยุ่งมันไม่ยุ่งหรอกเรามันไม่ยุ่งถ้าเราคิดไม่มันยุ่งมันก็ยุ่งไม่ไปมันก็ยุ่งเราต้องคิดอย่างนี้ให้มันดีๆเถอะทุกๆคนก็ชอบจะเป็นใหม่ๆก็ชอบเป็นยังไงไอความเป็นจริงเราไปยุ่งกับมันเราไอยู่กับพวกไปอยู่ที่ใครจะทํา ผิดมังม่งถูกมั่งกม่รน้ัอนนี้นางกันไปใครไม่อยูไม่ไปถ้าไม่อยู่เดียวแค่นี้ใครทับโอยทีความดีมันยิ่งมีประโยชน์ใจยิ่งถ้ากอถ้าขอถักกอถัางอก็ยิ่งเห็นนี่ท่านตรง น, นี้ท่านอยู่ท่านยังไงท่านยังได้ไหมมันยิ่งเป็นประโยชน์แก่นมนุษย์อยีกยังเทศยางยังดีให้ให้พระพิ ส, สุชมเวรเห็นด้วยมีละอดไม่ได ยากคนพูามันมากมากอย่างเราเป็นลูก <social> ว <media> ัดน no, ี the truth, the truth, truth, truth, well, truth, ่นะเออมันมีจิตตอนนี้ทำกาทาสุวามา่งจะเป็นอะไรเมื่อมันเดินเดื่องต้อไปหยุดนะไอ้จริงที่มันถูกต้องเราก็พูดไอ้จริงที่มันคิดเกื่ยวกับส่มันนั้นเราก็เก็บมันได้อาหารก็ยอมมันก็มาที่หอว่าเอาจะเอาจะทิ้นเราทิ้งองเลกปล่อยเราไปเนี่ยมันไหไปที่นะ อมั น, น็จะเอาโดยเอาเอาไปหมดทุกอย่างยี่งวันท้่จะตายย้วันเถอะมันก็ยุ่มเท่านั้นแหละแ้ามันจะม่ยุ่มเราปล่อยไปทีจะยุ่มทำไมอันนี้เราไปยุ่ประมาณ ย, ยิ่งอาหารมายุ่เราคิดกันยังไงผมว่ามันสะวายปัญญาเราน้อยปัญญาเราไม่ถึงกันนะถ้าพูดกันจริงๆนะถ้าเราพูดกับพื้นปฏิบัติเร ถ้าผมจะไปให้ผมอยู่กับบรรพชนๆๆเจตคถาเมืนอเกิดสุธิอสุท ธ, ธิปจจันทร์ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิธ์เฉพาะตัวไปจะไปยังไงจะทําถ้ามารึลุทาวที่จําเป็นมาแล้วจะต้องทําอย่างนั้นในเวลานี้เร า, าก็พระพุทธเจ้าตัดตัดให้อยู่ในที่สงบเรางคว า, าอยู่ที่สมบเท่าที่เราหา ถ้าหากว่าหาไม่ได้เรารู้จากความสงบอยู่ที่นี่ไปอยู่เมื่อเราจะต้องอยู่ก็ให้มันสงบอยู่นัใหญ่มันเป็นตัญหาี่ไปยันเป็นตัญหาอยู่ยันเป็นให้รู้เรื่องขรงมันแต่สภาวะความเป็นอยู่ของพระเนรทัยอยู่ที่สงบบางทีหาที่สงบไม่ได้จะทำไมเะแล้วก็เป็นบ้าเลยมันอ่าไปไหนอยู่เนี้ยอยู่อยู่มานี่อยู่ ทนะ่านได้รู้การดูเวลาอย่างนี้แต่ว่าปกติของท่านไม่เปยนผ่านทั่วไปแตอยู่ในที่สงบก็เก่งอยู่ในเมื่องที่สงบไม่ได้ก็จะมีเวลาอยู่นี่สักเดือนหนึ่งถึงสิบห้าวันเนี่ยเราจะทําไงใจขาดตายเลยให้เรารู้เรื่องอย่างนี้มันถูกไปเรื่อยๆก็ยังไมไปก็อย่างเงี้ยต้องไปเรื่อยๆ เนี่ยก็เป็นไข่เมน็ดเดี ย, ยมากันเนียวนี่ก็เป็นมีบยาไข่เม่ไดเดียเนี่ยก็วุ่น้นั้ไอ้ออความเป็นจริงนั่นน่ะการประพฤติปฏิบัติให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิเทะนะ่านั้นแต่เราหา เ้าหาเราพยายามหานี่มันยากใช่ไหหน่อยหนึ่งปะปัญญาไม่มากความสนใจไม่พอหรือวันไหนร้องก็ได้เนี่ยเบื่อทุรงเนี่ยนี่อันนี้ก็ไม่แน่ถ้าผมภาวนาไม่ไปเบือ่อ น, นี้ก็ไม่แน่ถ้าผมในใจผมอ่ะไม่ไปจะรงเบือ่อไม่แน่พยายาไปอยา่เดียวแน่เช่นอะไรเนี ไมอืมอกูจไปทุรกันดีกว่าจะมีมันมีจุดไม้แปลทางอันนี้ก็ไม่แน่อีกอต้องภาวนาอย่างมีทานันนะอันนี้มันจะไปทุรก่อนแน่มันจะอยู่ก่อนแน่คือถ้าเราจะที่มันดูดีทงไนิไปดูดปนะพพดอยู่กับทุกีนาเลครับเขาพูดง่ายฟังโดยทุกีนา มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงจมันไปเห็นความจริงของมันเท่านั้นเนี่ย้าความจริงมันได้ทำไงมันก็ถูกป้องกันได้จังมันไปได้ดูดีก็ดูได้ไปไปไปไปคนหายใจว่าใหายแมใหายนั่งมายใจว่าให้ยเดินไปไหนคนก็แทเดินไปให้มันเหนื่อยนะมันก็ี่นะกคนมันเหนื่อยนะ แต่ก่อนเห็นภูเขาแต่ก่อนผมมาสบายดีเหลืเอเกินอย่านี่ยเลยเห็นภูเขาโอ้อหอยกลับนะนะแต่ก่อนเห็นภูเขาเลสบายนึกว่าจะอยู่ภูเข า, าตลอดชีวิตเลยที่ท่านตัดว่าให้ให้ให้ดูปัจจุบันเนี่ย คนค น, คนี้ดูจับปุุ่่มาให้ดูจับปุ่มุบมมาดูไม่ได้ก่อนไปกินคาพูดันพูดไปถูกนะอย่าเราคิดยังไม่ถูกความคิดยังไม่ถูกต้องัสบายไปลองดูกันนะไปดีด้วย อย่งนั้นตายไปสูงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะหา้ามผมก็ไม่อยากอนุญาตฟังหรอปะครับผมไม่อยากจะหา้ามไม่อยากอนุญาตแกพูดอะไรไปแกว่าตายไปสูงเนี่ย ให้มันมีใหมันมีประโยชน์อย่าไปเที่ยวเล่นอย่ า, างวันทุกวันนี้ยคนไม่งั้นไปเที่ยวเล่นแต่จะมากเป็นประโยชน์ครับไปก่อนเป็นทุรงอยู่ก็เป็นทุรงนั่นี่มันถือการไปเที่ยวเล่นเป็นทุรงครับโกหกก็บขเลย คือมันมีประโยชน์นนะ่ยารู้เาเง ม, มีประโยชน์เราเข้ามาใ้เราไปดไปเพื่อไปอะไรก็ไปพขาอว่ามันไปที่มีประโยชน์เนะ่นันมันึะเยี่นานเะรถ้าไ ป, งปรงกว่าห้าละสามวนไปนะ ให้มัไปจริงๆริงเนาะคุ้มก็ไม่เลยถามถึงไปจริงที่ไหแปลว่าจะไปแ่ะามก็ต้องพูดกันก็อยู่เขามาอนนี้ไอยู่นี่สมัยก่อนตอนข้า ม, มาตึงจ่มานุ่นท่างในจับาลเนี่ยงขาเขาดูนี่ไปวางวันกับมาผันไม่ผันไ ป, นนไปถ้าเราคิดทุกวันนี้แรงนะ ยังส่องไปเลยมันน้ำพรางตบลอะไรน่เนี่ยย้อนไปพิศวานกลางนี่มาฉันเนียก็ทความเพียรมากดีกว่านัถ้าเราทาให้มันถูกนะนอกจากเดีเราฉันเดียนอันทุกคนตัไม่สุกใจนี่ไปพิศาดจพิศวาสตอนชาติตรงข้างเขารืมบว่าอุตส่าห์ไะกลับมาบางวันฉันฉันจกนันกลางเขามันจะไม่เป็นที่ด ก็คิดมาเดี๋ยวนี้น่ะเขาที่จะไปทำไมคาราหาบ้านชาว่าวกั น, นนั่นนี้มันกลางามันพอนี่การใช้บัตรไปเที่ยวเป็นสบายการพนังไ่ฉันเนี่ ย, ย, ย, ยสักก่อนจะได้ทำจิตใจดีกว่าเราฉันเสียใจทั้งนู้นยังไม่มาจากเรือสบายข้ามเข า, าแลยคนนึ่งเขาคิดไปอย่างนี้แห้มันพบผูะนี่กับู่ยน่งมีจับคู่ ต่ว่ามีประโยชน์ถ้าไปมัน็ประโยชน์คนมาให้โทษคนอยู่มาให้โทษคนไปในท่านจะเฉลิมคน อ, อยู่ด้วยท่านเฉลนคนไปส่านเสริมที่มีความเห็นถูกต้องเนีอยู่ก็เป็นภาวนาไปก็เป็ไปก็ไปถูกเพื่อนหมู่ไรก็ไปกันหยู่นะสมเพื่อนสานมดเทา่ยจหนึ่ง อ, ง อ, องี่นคนะ จาที่เราต้องเห็นมาเนี่เจ้ายังไงกี้จ ะ, ออ ท, จะทำไงต่อไปอีกอ่ะจะทำทอะไรัะจี้อีกอ่อนุ้ง่อจะทำร้ออารมณ์อารมณ์ธรรมชาติที่ทุกอย่างเลยกะพงไปเดโนคกับกะพเนา นั mm. ่นแต่ไม่คิังกุนั่นดรูเรื่คนตายแต่ไม่สนุกรเรานนั้นคิดสังตไม่สนุกัวปัญญาวางนะหัวปัญญาว่างม่รเรื่นั่งสมาธิมันจะใจสังกุตมัสัมยาสัมยาอย่างไรก็รู้เรื งานแนะมันดีไม่เทียนไม่เทียนไม่เนะไม่เนยบอกมันเลยไม่เนะตามไปในใจทั้งหมดอารมณ์มาไม่เนี่ยทำนั้นไปในใจเลยถ้ามันเขาจะคิดนี่ไม่สงบไม่เนะเหมือนกันคิดนี่มันสงบแล้วไม่เนะเหมือนกันเอามันไม่เน่มันต้องเล่นกับมันจะเกินอืม่เามันปล่อยมันบไกไม่เอามันมันสงบก็อย่าไปคิดมันอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมันไม่สงบ ก็อยาจริงอ้จังกับมันวิญญาณังานิจังอา่านไหมวิญญาณก็ไม่เที่ยงเคยอา่านไหมจะไปทํำยังไงเลยวันวอ่ะสงวนมัน ก, ก็ไม่เที่ยงไม่สงวนไปก็ไม่เที่ยงเราจะมีความเห็นอย่างไรต่อไปถ้าเรามีความรู้อยู่อย่างนี้จะสงบ ก, กว่าไม่แน่ ไม่สงบก็ไม่แน่เราจะอยู่อย่างไรค่าจิดเราคิดอย่างนี้ถ้าเรามีถ้าเรามีความรู้อยู่อย่างนี้ยความสงบมาก็รู้ว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่สงบมากอะความรู้หรืว่ามันไม่แน่ความรู้สึกเราจะอยู่อย่างไรตรงนั้นรู้ไหมเฮ <laughs> ้อเดี๋ยว ก็ดูตรงนั่นดอืมอมอันสงบไปกี่วันที่วันนั่งมันไม่สงบไม่แน่เมื่อมันคงดีแต่ไม่แนันเอามันจะอยู่ตรงไหนไล่มันไปไล่กีมกันไป อ, อยู่ตรงนี้นะมันต้องไปอื่นนิดเดียมันสงบโโกันอ่ะมาวนากโตโกไหนสงบมานาฟ้าสถิตโกไหนสงบไปยึดไม่สงบมันแน่แล้ว่าก็โตโตนี่โตไม่แน่ มันนาภาษีมันไม่แน่เหมกันไม่เด่นกบมันเท่านั้นเนี่ยมันสงบก็ไม่เด่นกับมันอ่ะมันหลอกลวงนี่ในความหมายมันเท่านั้นเนี่ยเราต้องฉลาดถ้ามันจะรีบจริงจริงมันสงบแล้วเออมีใจแล้วเนี่ยในสงบดูมาเนี่ยจะสู้มันแน่แน่มันสงบรู้ว่ามันสงบกนาไม่แนไม่สงบแล้ว ดูมันนะมันสงบนั่นหนิคนไปเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกมันจะยุบลงเดียวนั้นเนี่มาตะพ่วงมันเมื่อมันไม่สงบเดี๋ยนันหิมกว่าไปเนี่ยยุบลงเดียวนั้นทีเดียวละยังน่ะเรือตรงเองเยียงอะไรทีนั้นเนี่ยอลองที่บนิดรองทีน้องไม่ทันมันน่ะเมื่อเราจะเอาอย่างนั้นไม่แน่นันย <c oughs> ุบเลยน่ะอลองลองดูสิ ทวงมันก็ไปสินี่ไปายวงมันไอ้คำมันไปมันวิ่งอ้ำมันใช่ด้วยมล่นนี่ไม่ทวใส่มันก็ไปเยอะให่มันหยุดมันีทีมึมัเอมควรเกลียดไอ้ป้าเนะแล้วพ่อี่เพจเพศไอ้เรื่องไม่แน่ทางนั้นแหละแล้วกว่าเบื่อในรูปนี้เนาะไปสังเกตต้องพอกระเพศไอ้เรื่องไม่แน่ทางนั้นเนยเบื่อแล้วก็ไปอืม ไปหายมันแน่รูสิเออนี่ยกกลับมาอีกแล้วลองทีลองลองลองลองลองจำไปในใจที่คำผมพูดไปเลยไปถ้าไม่เห็นอย่างผมว่านี่ไม่สงบเลยไม่สบายในนี้ที่อยู่แหละอืมดีทำสมาธิให้มากกันผมก็เห็นด้วยนะอืม เจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ดูไหมคําพูดดูไห ม, มเจตัววิมุตต์ปัญญาวิมุตต์วิมุตต์แปลว่าการดุดพ้นจากอัสวะมีสองอย่างเจตวัวอำนาจของจิตมากที่สุดคือเรื่องสรรมะนีมากจึงทาปัญญาเกิดได้ ปัญญาบีมดุดทาสมาธิพอเป็นรากฐานเหมือนต้นไม้ในนเนี่ยเห็นไหมเนี่ ย, ย, ยนะบางสาบางบางสิ่งเอาน้าาําใส่มันบานขึ้นมานะบางต้นเอาน้ำใส่ตายต้องใส่ในน้อยพอดีพอดีพอดีเห็นไหมน่นต้นสนนะ่ะสนสัตว์นั่นอย่าเอาน้ําใส่มากตา ย, ยนะ่ะเนี่ยใส่ในน้อยในน้อยในน้อยนี่ยไม่รู้หมนเนี่ย นี่เลเอามาใช้บ้งก็ได้เอาไว้ายม้านี่ผมจิตให้ไอน่นเป็นบุญแห่งปันจุบันนมันเกิดมาเลยยังไงเขาคืนมันรู้มันจะกินน้ามันจะใส่อะไรยันไงมันเป็นยังไงมันจังไงจังโตขนาดยังไงบางตัวมันต้องเอาหน้าเหมือนกินนี้หลายได้มันจะใส่ไรอันนี้ามันจะตาย อีกอย่างหนึ่งเขาปลูกแหวนมาแหวนห้ามันย่อนหมดกินลครับมันนาสีตายครับนต่ในไม้ั้งมาลาแล้วมาแห้งมันมันกินลมนะนะมันโตกั้นหนึนี่ครับมันเป็นจะง่อยยังไม่ได้นบตียอดกันตีหนึ่งวู้มีหน้าไหนก็หน้าบูมีนี่ก็มันกันธรรมชาติมันเกตตัววิมุตต์วิมุตต์แปลว่าการดุดพ้น ต้องทํากําลังใจให้เข้มแข็งมีสมาธิมากๆอย่างหนึ่งก็เหมือนกันกนะเนี่ยต้นไม้บางอย่างต้องให้กินน้ามากๆอ่ามันถึงเจริญขึ้นนี่อันนี้ไม่ต้องกินน้ามากมให้กินน้ามากตาย <c oughs> ให้กินน้ำใ น, น้อยเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเจริญขึ้นประมาณได้อย่างนั้นฉะนั้นแต่ก็ตระเกีจตัวมีมุตปัญญามีมุตตมีมุตการหลุดพ้น ในการที่จิตหุดพ้นต้องใช้ปัญญาอย่า ก, กำลังจิตกำลังจิตจิตกับปัญญาต่างกันไหมจิต ก, กับปัญญาต่างกันไห ม, ไมฮะทาไมถึงแยกกันนะ่ะทําไมถึงเกิดแยกกันเจตัววิมุตปัญญาวิมุตเป็นคำพูดฮะคำพูดเป็นคำพูดนงอ น, น, นแหละนะอย่างนั้นเราก็ไปหาแยกเราเป็นบ้าเท่นั้นเนีือ แต่ว่ามันมันมันเยียงกันนิดหน่อยนะแต่ว่าอ่าจะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่คนในอันก็ไม่ใช่ผมจะตอบมีถูกไหมผมจะตอบว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่คนในอย่างก็ไม่ใช่อย่างเดียวก็ไม่ใช่คนในอย่างก็ไม่ใช่ผมจะตอบอย่างนี้เอาไปพิสน์ไม่ ให้ความเท่าทีนมนะวันหนึ่งผมไปพักอยู่ที่อันนันไปอยู่ที่วัดล่างครับองยอมาไข่ที่วัดล่างเพราะว่าใหม่ๆผอยากชันจะเป็นพระกระเบนชันอยากันวันไม่เป็นของสงฆ์ก็อยากช่วงตัวนะมีคนนึงมาขอเวทป้ายะตา ม, มาขอขอบบแบไข่อ ย, อย่างนี้นในวัดฐานเขาไปพักบนเกี่ยว ท, ทีวัดลา ขอบบนั้นแต่หามันจะจิตบ่ได้ก็ขันบ่หายมันจะจิบวายพักไม่โทษท่านท่านจะคุมเดโยมอัตมามาพักโยวัดนี่ไม่ใช่อัตมาเป็นเจ้าของนี่ที่โยมมาขอนี okay. ่ก็เย็นใจแล้ววาอัตมาไม่ห้ามได้ไม่อนุญาตอันนั้นแด้แต่โยมครับี่บอเอาว้อันนั้น เออข้ามตอบไปเขาฟังหนึ่งกันดีเว้ยแม่อุญาตใช่ไหมครับเราหมดภาระเลยเมื่อพูดขึ้นมาแล้วมีประโยชน์ความพูดอมีประโยชน์เราลึงลึมลืมนี่มันทันเนาะมันทันมันได้ดูแลวก็ยังดีแค่แต่ตะวันมีคนมันพูดแปลกๆมีคนไม่้จะดตคืออะไรจะดตคืออะไรจะ๋อจะดตไม่รู้จะว่า จิตก่อนี่จะิตก่อนี่ปัญญาก่อ น, อนจะทำยงไงนี่ดูที่อะ ว, ว่ามัรู้ิะราคะจดิษโทสะจดิษโมหะจดิพุทธะจดิตจิตนันมือคือไอ้ไอ้จิตใจที่จะไปแอบแฝงในสภาวะในหนึ่งมากภูเขาร า, าราคะมากโทสะมา นั่นก็เป็นภาษาคำพูดทั้งนั้น่ะทุกอย่างแต่มันแยกกันไปได้หกภาษาเลยนะเออเช่นจะวิ่วงวิ่งตามมาันนีตจะพอหรือมักเนี่ย ว, วิ่ ง, งมานาตีอะไรนี่มีหลายคนเนี่ยไปอยู่องค์เงี้ยวผมนี่ไม่ว่าเนาะอยู่องค์เดียวไปอยู่เถอะอยู่หลายคนไปอยู่เถอะไม่ผิดเนาะถ้ามีทิ่ผิดเน่ อยู่องเดียวน่ะคิดผิดมันม่นก็ไจะเปดนประยแล้วแต่ว่าลักษณะที่อยู่อยู่ผู้ปฏิบัตินี่ค่ะเป็นลักษณะที่ให้อยู่ที่สงบสงบนั่นเองแต่ว่าในเมื่อว่าเราได้ที่สงบสงบเชีนนั้นไม่มีนั่นเรก็ตายถึงรอนตายอย่าหาทางอะไรมันมาก